แม้ในการแสดงธรรมตามปกติพระองค์ก็ทรงแสดงไปตามเนื้อหาธรรมไม่กระทบกระทั่งใครอย่างที่ว่าทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยอบริษัทไม่ทรงลุกรานบริษัททรงชี้แจงให้บริษัทเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วว่า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 ชมพระวิสาขาปัญจาละบุตรและตำหนิเตือนพระนันทะเป็นต้นอย่างไรก็ดีการลงโทษน่าจะมีอยู่แบบหนึ่งคือการลงโทษตนเองซึ่งมีทั้งในทางธรรมและทางวินยัยในทางพระวินยัยถือว่ามีบทบัญญัติความประพฤติอยู่แล้วและบทบัญญัติเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตราไว้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 ในระดับสามัญสำหรับผู้สอนทั่วไปอา จ, จต้องคิดคำนึงว่าการลงโทษควรมีหรือไม่แค่ไหนและอย่างไรแต่ผู้ที่สอนคนได้สำเร็จผลโดยไม่ต้องใช้อาชญยาโทษเลยย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีความสามารถในการสอนมากที่สุด